ธรรมบทแปลเรื่องที่สามสิบสองภาคที่สองเรื่องพระโสเรยะเถระพระศาสดายัางพระธรรมเทศนานี้ว่าณนะตั้งมาตาปิตากิริยาอนเนยวาปิจะยาตากาสัมมาปะนิหิตังจิตังเศยโสนัง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 มีความประสงค์จะเข้าไปสู่โสริยะนครเพื่อบินาบาทห่มผ้าสังกติภายนอกพระนครกร่างของพระเถระมีสีเหมือนทองคมลูกชายของโสริยะเศรษฐีเห็นแล้วจึงคิดว่าสวยจริงหนอพระเถระรูปนี้ควรเป็นภรยาของเรา หรือสีแห่งร่างกายของภรรยาของเราพึงเป็นเหมือนสีแห่งร่างกายของพระเถระนั้นดังนี้ก็ในขณะสักว่าเขาคิดแล้วเท่านั้นเพศชายของบุตรเศรษฐีนั้นก็หายไปเพศหญิงได้ปรากฏขึ้นแล้วเขาละอายจึงลงจากยานน้อยแล้วหนีไป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 เมื่อชนทั้งหลายกล่าวกันว่าบุรเศรษฐีไปไหนชนที่ไปด้วยก็จึงตอบว่าพวกผมเข้าใจว่าเขาจะกาบน้ำกลับมาแล้วขณะนั้นบารดาและบิดาของเขาค้นดูในที่นั้นๆเมื่อไม่เห็นจึงร้องไห้รำพันและได้ถวายพัดเพื่อผู้ตายด้วยสำคัญว่าลูกของเราตายแล้ว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 ยังไม่มีภรรยาเราทั้งหลายจะบอกแก่ท่านบรรณาการใหญ่จะมีแก่พวกเราดัง น, นี้แล้วพวกเขาไปถึงเมืองตกศิลาแล้วจึงบอกกับเศรษฐีในเมืองตกศิลาว่านายแก้วคือหญิงพวกผมได้นำมาแล้วเพื่อท่านลูกชายเศรษฐีนั้นได้ฟังแล้วก็เรียกนางมาเห็นนางเหมาะกับวัยของตนมีรูปงามหน้าพึงใจ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 ประพฤติล่วงในภริยาทั้งหลายของคนอื่นแล้วทำการละไปแล้วไม่ในนรกสิ้นแสนปีเป็นอันมากเมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์ย่อมถึงภาวะเป็นหญิงสิ้นหนึ่งร้อยอัตภาพถึงพระอนุเทระผู้เป็นอริยสาวกมีบารมีบำเพ็ญมาแล้วทั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ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 แม้ด้วยอำนาจแห่งการพระนิบัติดีในสามีเหมือนกันส่วนลูกชายเศรษฐีนี้ยังจิตให้เกิดขึ้นในพระเดระโดยไม่แยบคายจึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันทีนางนั้นได้ตั้งกันแล้วเพราะอาศัยอยู่ร่วมกับลูกชายเศรษฐีในเมืองตกศิลา โดยการล่วงไปสิบเตือนนางได้คลอดบุตรในเวลาที่บุตรของนางเดินได้นั้นก็ได้บุตรแม้อีกคนหนึ่งโดยอาการอย่างนี้บุตรของนางจึงมีถึงสี่คนคือบุตรผู้อยู่ในท้องสองคนและบุตรผู้เกิดเพราะอาศัยเธอครั้งที่เมื่อเป็นผู้ชายอยู่ ในโสระยานกรอีกสองคนในการนั้นลูกชายเศรษฐีอีกผู้หนึ่งในโสรยานครผู้เคยเป็นสหายของนางได้ออกจากโสระยานกรไปสู่เมืองตากศิลาด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มนั่งบนยาโ น, น้อยอันสบายเข้าไปสู่พระนครขณะนั้น นางเปิดหน้าต่างบนพื้นปราสาทชั้นบนยืนดูระหว่างถนนอยู่เห็นสายนั้นจำเขาได้อย่างแม่นยำจึงส่งสาวใช้ให้ไปเชิดมาแล้วให้นั่งบนแผ่นพื้นที่มีค่ามากได้ทำสการะและสัมมานะย่างใหญ่โตขณะนั้นสหายนั้นกล่าวกับนางว่าแม่มหาชริน ในการก่อนแต่นี้ฉันไม่เคยเห็นนางก็เมื่อเป็นเช่นนี้จะไหนนางจึงทำส ก, การะแก่ฉันใหญ่โตนางรู้จักฉันอย่างนั้นหรือเจ้านายฉันรู้จักท่านท่านเป็นชาวโสรย่าณก่อนไมิใช่หรือถูกแล้วแม่หมาจำเริญนางนั้นได้ถามถึงความสุขสบายของมารดาบิดาภรยา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 วันหนึ่งได้นั่งยาด น, น้อยอันแสนสบายออกไปเพื่ออาบน้ำไม่ทราบที่ไปของเขาเลยเที่ยวค้นดูรอบๆก็ไม่พบเขาจึงได้บอกแก่มารดาและปิดาของเขาแม้มารดาและปิดาทั้งสองของเขาก็ได้ร้องไห้คร่ำครวญทำกิจอันควรทําเก่คนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนังนั้นจึงได้ตอบว่าฉันนี่แหละคือเขาผู้นั้น สหายนั้นจึงได้กล่าวว่าแม่มหมาจำเริญ น, นางพูดอะไรจงหลีไปสหายของฉันย่อมงามเหมือนลูกเทวดาและเขาก็เป็นผู้ชายด้วยนางนั้นจึงตอบว่าช่างเถนายฉันนี่แหละคือตัวเขาขณะนั้นสหายจึงถามนางนั้นว่าก็เรื่องนี้เป็นอย่างไรเธอจงเล่ามานางนั้นจึงได้ตอบว่าก็วันนั้น ท่านได้เห็นพระมหากัจเจนะเถ ร, ระพระผู้เป็นเจ้าไหมใช่วันนั้นฉันเห็นอยู่ก็ฉันเห็นพระมหากัจเจนะผู้เป็นเทระแล้วได้คิดว่าสวยจริงหนอพระเทระรูปนี้ควรเป็นภรยาของเราหรือว่าสีแห่งร่างกายของภรยาของเราพึงเป็นเหมือนสีแห่งร่างกายของพระเทระนั่นก็ในขณะ ที่ฉันคิดแล้วนั่นเองเพศชายได้หายไปเพศหญิงได้ปรากฏขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันไม่อาจบอกแก่ใครได้จึงหนีไปจากที่นั้นด้วยความละอายมานะที่นี้แล้วละ่ะตายจริงเธอทำกรรมหนักแล้วเหตุไรเธอจึงไม่บอกแก่ฉันเล่าอ้าวแล้วก็เธอได้ให้พระเทระอดโทษแล้วอย่างนั้นหรือยังไม่ได้ให้ท่านอดโทษเลย ก็ท่านรู้หรือว่าพระเทระนั้นอยู่ที่ไหนก็ท่านพระมหาคชายนะก็อาศัยอยู่ในนครกนตกศิลานี่แหละก็ถ้าอย่างนั้นหากท่านพระมหากคชายนะเที่ยวบินดาบัดพึงมาในที่นี้ไซฉันพึงถวายพัตาหารแก่พระผู้เป็นเจ้าของฉันถ้าอย่างนั้นเธอจงรีบทำส ก, การะไว้ฉันจะไปนิมนต์ท่านพระมหากคชายนะ มาที่นี่บุตรของเศรษฐีที่เป็นสหายไปสู่ที่อยู่ของพระเถระแล้วไหว้แล้วนั่งอยู่ในที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับท่านพระมากระเจยนะอย่างนี้ว่าท่านขอรับพรุ่งนี้ขอนิมท์ท่านมารับภิกษาของกระผมพระเถระจึงกล่าวว่าบุตรเศรษฐีก็ท่านเป็นผู้มาจากเมืองอื่น ไม่ใช่หรือท่านกอรับขอท่านอย่าได้ถามความที่ผมเป็นผู้มาจากเมืองอื่นเลยพรุ่งนี้ขอนิมนท่านรับพิกษาของกระถิผมเถิดพระเถระนั้นรับนิมนแล้วก็ในเรือนของหญิงนั้นได้จัดสการะไว้เป็นอันมากเขาได้ตระเตรียมไว้แม้ในเรือนเพื่อพระเถระ ในวันรุ่งขึ้นพระเถระได้ไปสู่ประตูเรือนหลังนั้นขณะนั้นบุตรเศรษฐีที่เป็นสายนิมนต์ท่านให้นั่งแล้วเลี้ยงดูคืออังคาดด้วยอาหารประนีตพาหญิงนั้นมาแล้วให้หมอบลงที่ใกล้เท้าของพระเถระเรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงอดโทษแก่หญิง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 ขอท่านจงอดโทษเถิดท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นเธอจงลุกขึ้นเถิดฉันอดโทษให้แก่เธอพอพระเถระเอ่ยปากว่าอดโทษให้แล้วเท่านั้นเพศหญิงได้หายไปเพศชายได้ปรากฏขึ้นแทนเมื่อเพศชายพอกลับปรากฏขึ้นเท่านั้นบุตรเศรษฐีในเมืองตากาศิลา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 มีสามีได้บุตรอีกสองคนแล้วยังกลับเป็นผู้ชายได้อีกโดยอัตภาพเดียวเท่านั้นครั้นก่อนบุตรสองคนก็อาศัยฉันโดยความเป็นพ่อเกิดขึ้นแล้วที่โสฬญานครเดี๋ยวนี้บุตรสองคนอดจากคันของฉันในเมืองตกากศิลานีเธออย่าทำความสำคัญว่าฉันนั้นถึงอาการอันแปลก โดยอัตภาพเดียวจะอยู่ในเรือนต่อไปได้อีกฉันจะบวชในสำนักของท่านพระมาหากายนะเด็กสองคนนี้จงเป็นภาระของท่านท่านอย่าประมาทในเด็กทั้งสองคนนี้นั่นนี้แล้วได้จูบบุตรทั้งสองคนรูปหลังแล้วมอบให้แก่บิดาส่วนตัวเองออกไปบวชในสำนักของพระเถระ ฝ่ายพระเถระให้เธอบรรพชาอุปสมบทแล้วพาเที่ยวจาริกไปได้ไปโดยลำดับถึงเมืองสาพัถีก็นามของภิกษุรูปนั้นได้มีชื่อว่าโสเรยะเถระชาวเมืองรู้เรื่องนั้นแล้วพากันแตกตื่นอลมานเข้าไปถามท่านว่าได้ยินว่าเรื่องเป็นจริงอย่างนั้นหรือท่านผู้เจริญ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 ท่านมีความเสน่หามากในบุตรจำพวกไหนพระโสรยิยะตอบว่าก็ในจำพวกบุตรที่อยู่ในท้องอาศัยเราเกิดโดยความเป็นแม่เจ้าเมืองเหล่าอื่นผู้ที่มาแล้วมาแล้วก็ถามอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเสมอไปพระเทระก็บอกแล้วบอกเล่า ว, ว่าก็เรามีความเสน่หาในบุตรผู้เกิดในท้อง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 ก็ท่านมีความเสนหามากในบุตรจําพวกไหนพระโสระยะตอบว่าก็ขึ้นชื่อว่าความเสนหาในบุตรคนไหนๆของเราย่อมไม่มีภิกษุทั้งหลายได้ยินความนั้นจึงได้กราบทูลกับพระศ า, าสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้พูดไม่จริงในวันก่อนๆพูดว่ามีความเสนหาในบุตรที่เกิดในท้องของตนมากกว่าเดี๋ยวนี้พูดว่า ความเสนหาในบุตรคนไหนไหนของเราก็ไม่มีเธอย่อมพยากรอรลัผลพระเจ้าพระศาสดาที่ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพยากรอราลัผลหาไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เวลาที่บุตรของเราเห็นมรรคทัศนะด้วยจิต ท, ที่ตั้งไว้ชอบแล้วความเสนหา ในบุตรคนไหนๆ ไ, ไม่เกิดเลยจิตเท่านั้นซึ่งเป็นไปภายในของสัตว์เหล่านี้ย่อมให้สมบัติที่มารดาปิดาไม่อาจทำให้ได้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่านะตังมาตาปิตาอิริยาอัเยวาปิจะยาตกาสัมาปะนิหิตังจิตตัง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 ความว่ามันดาบิดาและญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้เลยชนคําว่าสัมมาปณิหิตังแปล ว, ว่าอันตั้งไว้ชอบแล้วหมายความว่าตั้งไว้ชอบแล้วเลราะความเป็นธรรมชาติอันตั้งไว้ชอบในกุศลกรรมบททั้งสิบส่วนข้อที่ว่าไสยโสนังตะโตเกเร พึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นหมายกว่าว่าพึงทำคือย่อมทำเขาให้ประเสริฐกว่าคือเลิศกว่าได้แก่ให้ยิ่งกว่าเหตุนั้นยิ่งอยู่มารดาบิดาเมื่อจะให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายย่อมอาจให้ทรัพย์สำหรับไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีพโดยสบายในอาถภาพเดียวเท่นั้นถึงมารดาบิดา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 ถึงมารดาบิดาที่สามารถให้ทิพยสมบัติหรือสมบัติมีวตมชาญเป็นต้นจะมีได้เล่าในการให้โล ก, กุตรสมบัติย่อมไม่ต้องกล่าวถึงเลยแต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วย่อมอาจให้สมบัตินี้แม้ทั้งหมดได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า สสยโสนังตะโตเกเรแปลว่าพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นในเวลาจบเทศนาสุนเป็นหนั i n o b a l ุกอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนทั้งหลายเรื่องพระโสเรยะเถระ